ทำกันมีผู้พูดมีผู้ฟังฟังแล้วนำไปทำดูเอ่อฟังหมูไา้ออกงุกหวัวเฉยๆสิ่งที่พูดนี่ก็พูดเรื่องของเราทุกคนนี่แหละทุกคนก็เหมือนกันใีกายมีใจ มีอะไรต่างๆเปล่เป็นสี่เป็นเรื่องอยู่ในกายในใจนี้เรียนให้จบลูกให้ครบมันมันจบไปถ้าเรียนไม่จบมันก็จะมีปัญหาเป็นภาระเรียนว่ายใจเกิดอยู่ในสังสารวัตขาดทุนชีวิตเหล่านี้ได้มาอย่างดีแล้ว เป็นเจ้าสารพัดนึกเป็นมนุษย์สมบัติทำดีได้และความชั่วได้เพราะมันมีสิ่งที่ทำได้เช่นมือนี่จะวางก็ได้จะจับก็ได้ใจเราเนี่ยก็จะวางก็ได้จะจับไปก็ได้ร่างกายเรานี้จะวิ่งก็ได้ จะเดินก็ได้จะหยุดก็ได้ใจเราก็เนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ไม่สอนมันก็สุขสนร่างกายก็สุขสนจิตใจก็สุขสนต่รพัดอย่าง ส, สอนจนเป็นกิเลสพันห้าตันหาร0อยแปดถ้าศึกษาบทขวนตนแล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้มทั้งอัตถะพร้อมทั้งวยจนะได้เป็นมากเป็นผลการศึกษาชีวิตของเราดิบต่อลองอะไรว่าต่อรองกับปางกระทําให้มีการกระทำล้นล้วนบางทีเอาทิฏฐิมานะมาต่อลองปมล้ย่ยปมเครื่องสําคัญมั่นหมายในตัวเองอัตตาธิ่ปตยะ เอาตนเป็นใหญ่เคยมาอย่างไงนิสัยไงไม่หัดบางทีก็โลกาเทปเตยะเอาโลกเป็นใหญ่ถ้าเป็นธรรมมาเทปเตยะเอาธรรมเป็นใหญ่มันมีความถูกท่องต้องสามอย่างถ้าตนเป็นใหญ่อาจจะผิดได้ถ้าโลกเป็นใหญ่จะผิดได้ถ้าธรรมเป็นใหญ่นี่ยไม่ผิด เรกว่าที่ประยของมนุษย์บางคนเอาเวลากระทำลงไปต่อรองเคยเห็นหลายคนแต่หมายครับพรเจ้าก็มีพระมาลุงกัจจบุตรที่มาบวชเพื่อจะมาต่อรองกับคำสอนพระพุทธเจ้าตั้งโจทย์เอาไว้ถ่าปฏิบัติธรรมเนี่ต้องได้คำตอบ เกิดมาทำไมตายเลิกจะไปไหนถ้าตอบจากนี้ไ่ได้ก็จะศึกษะจนเอาโจทย์นี่ขวงขั้นหานะคำตอบแต่อย่างเดียวอาจจะหาคำตอบจากความคิดหาคำตอบจากคำถามแะ้วต่างๆมากมายบางคนก็มีเหมือนกัน บางคนก็เก่งนาเป็นพระว่บบาจ้าโจมคอยเห็นเป็นครูที่มีคุณความดีเยอะแยะทนที่ก็รับนับถือของชุมชนเก็เษียนแล้วสมัครสอโจสมาชิกสภาจังหวัดได้ถึงสี่สมัยสาเร็จเป็นสมาชิกสภาจังหวัดก็สาเร็จสร้างุณนามความดี ก็เลยมาบวชมาสร้างเจดีย์ใหญ่สําเร็จมาสร้างโบสถใหญ่สําเร็จมาสร้างเงินดบให้พระพุทธรูปหลวงพ่อดำองใหญ่สำเร็จอะไรก็สําเร็จมาสําเร็จมาเอออยู่เรื่องเดียวคือมาปฏิบัติธรรมจะต้องสําเร็จแน่นอนมาปฏิบัติธรรมจะเอา ตนมาต่อรองกับการกระทำแต่สำเร็จแต่สมเด็จแตต้องได้จะต้องได้จะต้องได้นั่นก็ได้จริงๆล่ะต่อมาได้ก็มาบอกเราหลวงพอ่อดูผมจีเดี๋ยวนี้ผมมาเหมือนเก่าแล้วจีบรผมเวลาห่มลงไปเป็นดอกบัวเต็มตัวเลยเราก็หมายว่า อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแม่จะเป็นโดกบัวเป็นเงินบันทองก็เป็นเรื่องอันหนึ่งแต่ว่าต้องเห็นลูกเห็นนามนี้เราพยายามที่จะแนะนำทิศทางให้ก็ไม่เอาสองพ่ อ, องคงมีปัญญาไม่ถึงผมผมปัญญาเหนือหลวงพ่อแล้วปัญญาคนลรดับแล้วมองไม่เห็นเหลือดกบัวเต็มผ้าผมเลย วางผ้าจีวรลงทิ่งเอามาหมเอกเป็นดอกโพเอกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นฮ <c oughs> นี่ก็เอาตามกระทำเอาสาเร็จมัวก็สาเร็จเ้าใจผิดไปเป็นวิปัสสนูเป็นวิปลาสไปใ น, พป น, นาาเพราะหลวงพ่อรูนึ่งมาจากอาเภอหนองหานเป็นกำนันมี ครอบครัวไม่มีลูกก็เกียนกำนันแล้วก็มาบวชแต่หมก่อนเราก็จีเรยอยู่แถวโน้นเผยแผ่ธรรมะอยู่แถวอุดรห น, นองหานหนองคายตะโกนนครแต่ไมเติมต้นดนคุกตัลางที่ไหนที่เลยครูอุดรธานีเขาเขาออกอกอสอนนักศกษาสอนครูอาจารย์เท่านั้นก็มาปฏิบัติ หลวงพ่อองค์นี้ไหลข้างหนึ่งต่ำไหลข้างหนึ่งสูงหลังกองกองพอมาปฏิบัติธรรมก็เอาความเจงของการปกครองเอาความเจงของสติปัญญาเมื่อมาปฏิบัติด้วยพอ ป, ปฏิบัติไปได้จากพักหนึ่งลู่ลูบลู่น้ำก็กลายเป็นวิปัจโนกิฏยานว่าวันลูกขนาดนี้ ก็น่าจะมากกว่านี้นถ้ามันเจ็งจริงๆความรู้นี่ถ้าเจ็งเปลี่ยนชีวิตจิตใจได้ต้องเปลี่ยนเราดูซิให้ไหลของเราเสมอกันขึ้นมาก็พยายามคิดเรื่องนี้กันมาไปมาก็ไหลก็เสมอกันขึ้นมาก็สําเร็จมองตัวเองว่าไหลมันก็เท่าสองเอานะก็จบก็เสมอกันแล้วเราพิจารุดงจริงหรือเปล่าก็าเดินจังกลม เอาเชือกโขกกิ่งไม้ห้อยลงมาเดินไปทางนี้เอาไหลทางนี้ก็สวยปัดไปเดินกลับมาเอาไหลทางนี้มาใส่ก็สวยปัดไปเอ้ามันจริงจิงเสมอกันจริงจิงก็มาเพื่อให้เราฟังอาจารย์ผมก็มีอะไรหลายอย่างเดี๋วนี่ไหลของผมเสมอกันแล้วแต่เราดูมก็เท่าเก่าไม่ได้เสมอกันสาคัญมั่นหมายว่า พยายามละก็แจ๊ะใครให้เนี่ยมันก็เป็นอยากลู่อยากเห็นเกินไปไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมต้องทําซื่อๆเหมือนเจียวว่างๆมารับของแจกมันรับน้ำํำจะมีอะไรเต็มอยู่ในนั่นอัตตาทิพย์เตยะเราก็อัทิพย์ตยะปาลาลกทุนเป็นใหญ่ปลาลบรูปรเป็นใหญ่ต้องเอาทำเป็นใหญ่มีสติเนี่ย มันก็มีที่ตั้งอยู่แล้วมีฐานอยู่แล้วให้รู้สึกรู้สึกเนี่ยกายก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริงเอาความรู้สึกตัวไปจุ่มกับกายเอากายมาจุ่มกับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปจุ่มเอากับใจเอาใจไปจุ่มความรู้สึกตัวกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่นั่นเนี่ยให้ทําอย่างนี้ถ้ารู้สึกตัว กิกายใช้ได้ถ้าจะมีการต่อรองเอาแบบพระพุทธเจ้าต่อรองการพ้นพัวหาเรื่องนี้ถ้าจะเอาอัตตาเทปยะพระองค์คงทำไม่ได้เป็นกษัตริย์เจ้าผ้าชายเป็นพระเจ้าจากักรพริราชตะโวนสาก็จะวงโอรสของ พระเจ้าสุโธธนะเล่าเลือกันเต็มตั้งแต่ประสูติในพรนะักษณะงดงามตกต้องพักนาสามยี่สองประการเดินทางมาทำนายไทยทักถ้าออกบวดจะได้เป็นศาสตราเอกในโลกต้าคลองอลรวาจะเป็นพระเจ้าเกิดกระพัดครอบคุมทุกแฟนในโลกพระเจ้าโททัพปทุนถนอม ไม่อยู่ในโลกสร้างประสาทสมดูให้ให้สมรสกับพระนางพิมพาไม่สนมกำนันในทัดปีอยู่เรื่อยไม่มีบุรุษเกียรปนนะถ้าจะเอาโลกอัตตาที่ประยะสมบูรณ์แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้ เห็นการเกิดเจ็บตายเนี่ยลาภัสคงกัมิลพัสเห็นการเกิดเจ็บตายของคนหรือว่าเป็นการบ้านจะศึกษาเรื่องนี้มองเป็นคู่เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเจ็ต้องมีไม่เจ็เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายอะไรมันต้องเป็นคู่มีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่าง ม, มีเหว่มมีอมมองเป็นคู่กลางคืนมีกลางวันต้องมีคู่แน่นอนเมื่อถามเรื่องนี้ต่อพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายใครก็ตามไม่มีใครตอบได้จิตตระาจึงเอาเรื่องนี้เป็นการบ้านเป็นโจทย์ของกอนหาคำตอบเฉลยให้ได้ก็เห็นสมณะ เป็นนักบวชก็ชิดจักจะใช้ชีวิตแบบนักบวชเพื่อศึกษาเรื่องนี้จนถึงอายุยี่บก้าปีออกศึกษาเรื่องนี้ไม่โทษถอยไม่เอาอัตตาทิประยะโลกาทิปย์ระยะเอาทำรรนะนี่เป็นสิ่งที่ใส่ใจศึกษาจนล่มเหลวหลายทางเยันตาย ครูอาจารย์ต่างๆครูทั้งหกศึกษาจนจบครูทั้งหกตัวคนจุดท้ายอุตส่าด า, ด า, าดาบทอ์ระดัดาบทถ์้ถึงสมาบัติแปดไม่ไปที่พอใจของคนยังตอบปัญหาเรื่องเกิดเจ็บเจบตายไม่ได้จนต่อตัวเองเป็นตําลาเอากายเป็นตําลาเอาใจเป็นตําราบางที่เราทํำตามอยู่ขณะนี้ ได้ว่าการาญานปัจญาอาศัยการล่มเหลวทั้งหมดหปีอาจจะได้กเศษเคยนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กไปเลกนาขวนขนมกำนันนายทั้งหลายวางพระองค์อายุเจขวบให้อยู่ในล่มว่างยแต่เลกนาขวนกับบริวาร ใบฟ้าประชาชนลืมโอ้รถน้อยลาหนอนอิรทัศตถ่อยทิ้งไว้ลำบังผู้เดียวในต้นว่านางเป็นหลายชั่วโมงจนนุงอาทิตย์บ่ายออกไปแต่ล้มมายยังไม่หนีไปไหนกลับมาเห็นนั่งอยู่ว่าจากนั้นตามตำลาแต่ สิริธาก็อาจจะคิดได้ตอนนี้เออเราเคยเป็นเด็กเคยนั่งอย่างนี้นะมาบำเพ็ญทางจิตเนี่ยไหนเรายังขาดแต่นี้อยู่มาบำเพ็ญทางจิตลองดูหมอดูกายดูจิตมาเช่าวเหตุและผลนะเดินก็เอาเรื่องนี้นะไปเป็นกระแสเป็นนิมิตบ้างแล้วมาบำเพ็ญทางจิตการบำเพ็ญทางจิตมันจับจิตไม่ได้ ก็จิตไม่มีตัวมีตนให้จับมันเข้าหมันออกเหมือนกายนี่เหมือนถ้าจิตเหมือนกับสัตว์อันหนึ่งที่อยู่ในถ้ำออกง่ายเข้าง่ายจับไม่ได้ก็เลยมาศึกษาเรื่องกอาราน์ปัญนาเนี่ยเอากายนี่แหละนั่นก็หาวิธีเยอะแยะเลยแล้วก็นั่งอยู่ที่นิโคตต้นอยู่ด้าลงทานนั่น่ะ ก็นี่หละเดี๋ยวฝั่งแม่น้ำในรัญชลาทางทิศตะวันออกเงินบ้านสูงขึ้นไปเป็นบ้านนางสุชาดาลูกสาวเศรษฐีก็นั่งอยู่นี่ตะเกียกตะกายตามร่มน้ำในรัญชลาลงมาอยู่ในดงขั ศ, ศิลิทางตอนเหนื อ, อลงมาตามร่มน้ำในรัญชลา ดมลูกค้ามามาขึ้นฝั่งตรงนี้นีโาานะน่โคดทารามเนี่ยนี่โคดต้นนี่โคดทาเป็นทางคิดเนะี่ยมามีสติดูกายมันก็มีอยู่จริงกายเนะี่ยเริ่มต้นจากการคู่แขนเข้ารู้สึกตัวเหยื่อเฉนออกรู้สึกตัวเมาจากนั้นก็เดินจโกม รู้สึกตัวเอากายเป็นนิมิต ท, ที่ตั้งอมีกันทุกคนนะ่ะกายของเราก็มีสติก็มีให้รู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้เอาเหตุอะไรมาทดลองเอาผิดเอาถูกอย่าเอาผิดเอาถูกมาทดลองกับปัจกระทําอย่าเอายากเอาง่ายมาทดลองกับปัจกัยธรรมอ่าเอาได้เอาเสียมาตดลองกับปัจกระทํา เอาล่อนอนหนาวเอาเหนื่อยเอาขอยันมาต่อรองอะไรที่มันแสดงออกม า, าเกี่ยวกับการกระทําในเวลานั้นมันมีหลายอย่างยากบ้างง่ายบ้างผิดบ้างถูกบ้างที่เกียดบ้างขยันบ้างเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าบ้างบางทีก็ชิงแหวนร่มทําให้เป็นไป ตอนตัก็จะเปียกเดีดออกก็ร้อนยุงมาก็กัดตัดเลื้ยขานมาก็อาจจะงูตจงอางมาชูคอรู้ก็ได้บางทีงูงหอบมาคู่ก็ได้ตอนเดาเคยเจอเหมือนกันนะ่ะนั่งอยู่ทำความเพียนอยู่อยู่ไกลๆเพื่อนกระแ ต, แตมันไล่งูงหอบมาตอนใกล้ๆลังมันก็ไม่รู้ เขาก็ทะเลาะกันมาเป็นดงป่าไั่ให้ไล่ต่ำๆ่ำขึ้มขึม้อยู่พุทธิยานมังเลยอย่างนี้เป็นหมาหุ่นไหรลราชพัชเลยแล้วเสียงกูข่ขี้กูกี้กันมาแระก็แจ๊กแจ๊จ๊แจ๊หมาเลยลางงูเรื่อยมามันก็กัดหางงูงู กระโดดก็ไปสู้แต่ก็ด่างงนกระโดดขึ้นไปสู้ก็ ไ, ไม่ก็ไมสู้เวลางูไปเลื่อยไปก็กัดหางไล่กันมาไล่กันทางใกล้ๆเราก็ได้ยินแต่เสียงมันแต่ไม่สนใจมัวแต่สร้างจังหวะอยู่หลับตาว้างสร้างจังหวะบ้างเวลางวูน้องก็เอาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ทําเป็นจังหวะนะบางทีก็หลับตาบางทีก็ลื่ลนตา เ, าเลื่นตาขึ้นดูอามันเป็นงู งูห่าก็จะมันไล่อยมาแล้วก็มีเตียงง่ายไปนั่งอยู่มันก็มาหาเราเนี่ยก็ว่าจะบอกมัน่ะว่าจะมานี้นะเรานั่งอยู่นี้ก็เลยเอากล่องไม่ขีดไปโยนไปเนี่ยไปถูกหัวงูนว่าจะให้มันถูกมันหอกแต่ไปถูกหัวพอดี <c oughs> แล้วก็ชูขอขึ้น ขูเราแฝงผ่งานเอาเราก็เอาจีวรมาขวงผ้าไว้วกลัวมันจะพูดน้ำหลายใสเอาขวงไว้ก็ดนหรือมันกระโดดบ้าจะเอากีวรมาคุ้มหัวมันก็เลยคิดในใจว่าขอโทษขอโทษเราพ่จะบอกว่าจะมานี้เรานั่งอยู่นี้แต่มันก็ กอกมาขีดไปถูกหังเขาเขาก็โกรธเราจูคอไปบังผ่านเอกะกอเลยว่าขอโทษขอโทษไม่เป็นไรนะถ้าไปมาโขเราก็นอนอะไรมุ๊บหัวลงวิ่งเขาก็ผ่อันนี้ก็มีถ้าเรานั่งหลับตาใช่ไหมหลับตาบมันก็เลื่อยมาเลื่อยมามาขึ้นตักเราเราลื่นตักเขงงูจะปัดงู หมูก็กิดเอาตายเลยเออหลับต่อบางครั้งก็ได้ไม่หลับก็ดีอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่นเกิดขึ้นอาจจะบางทีเราไม่มีสติอาจจะกลัวแล้วก็อย่าไปเอาความกลัวอาการต่อรองอย่าเอาการอะไรมาต่อรองให้มันรู้สึกตัวไปกับทุกกรณีประสบการณ์เรื่องที่มันตื่นเต้นที่มัน สะดุ้งก็อย่าเอามาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องลำดับลำนำํทำทาแล้วไปเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยอะไรเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติมันเชิญให้เรารู้จึกตัวเปลี่ยนความกลัวเป็นความลู้จึกตัวเปลี่ยนความสะดุ้งผวาเป็นความลู่จึกตัวเข้มแข็ง ข, ขึ้นืออินทรีย์แจยก้าขึ้นเรื่อยไม่หวั่นไหวติดตามความลู่จิกตัวกายเคลื่อนไหวอ ย, อยู่เรื่อย เวลาใจใจมันชิดก็รู้สึกตัวเพราะมันเฝ้า อ, อยู่แล้วเหมือนเรามีตาดูอยู่แล้วงูด้วยมาก็เห็นส ต, ติเป็นดวงตาภายในอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้เห็นเห็นต่อหน้าต่อตาหลายครัง้งหลายคราวการเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่มันไม่พัฒนามันพัฒนาไปทํำไม่แก่งแจกกล้ามมีความรู้สึกไปนานหลายวัน ราล้จากอันที่การเคลื่อนไหวเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมไม่ใช่การไม่ใช่ใจรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นธรรมชาติด้วยเป็นอาการด้วยรูปธรรมมันก็มีอาการวัตถุอาการนามธรรมก็มีวัตถุอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับนามนี่ความกลัวเป็นอาการของนาม ความเหน็ดความเหนื่อยความร้อนความหนาวเป็นอาการของรูปไม่ใช่รูปจริงๆ ร, รูปมันเป็นรูปล้วนๆมหาภูตารูปก็รูปมัมีอาการันก็เป็นรูปไม่ได้มันมีอาการมาใสธรรมชาตินี้แล้วมีธรรมชาติบ่งบอกแสงแดดก็ร้อนลมถูกก็หนาวเย็นฝนตกก็หนาวมันมีธรรมชาติของเขา ธาตุอาหารก็หิวมีหนักมีโอเป็นอาการของรูปของนามบางทีมันมีจิตธาตุเกิดขึ้นพวงแต่งเป็นาการของรูปของนามมันมีวัตถุอาการมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีวัตถุรูปรดจิ่นเสียงวัตถุภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถุภายนอกคือรูปรดจินเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ตาองเห็นเห็นรูปเห็นรูปมีอากาศอะไรเกิดขึ้นอาจจะพอใจไม่พอใจถ้ามีสติมันก็ไม่ไปกับความพอใจไม่ไปกับความไม่พอใจแล้วก็รู้เวลามันพอใจก็มีสัมปัญญะรูปสตตัวกับมหาอริบที่เราสร้างเอาไว้อย่างนี้มันก็ทำง่า้อย่างนี้แล้นก็เป็นรูปทุกน้ำทุก มันก็นเป็นทุกเวทนาทุกขัง น, นั่งอยู่นิ่งกว่าทุกข์ของลูกมันอยู่ได้ไม่นานตั้งอยู่ไม่ได้ดานตัวลูกนี้ไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่นานเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเกิดในอาการอะไรก็ดับได้เช่นเราเกิดอาการทางจิตเกิดโกรธความโกรธก็มีแล้วหายไปไมีแล้วดับไปได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ขวรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราชีวิตที่เป็นรูปนี่ตั้งอยู่ได้ไม่นานแก่ขึ้นแล้วแจ็เจ็บตายไปความชีวิตนั้นไม่เที่ยงความตายไม่เที่ยงกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงมันก็จะหลดสังเวชในรูปทำนามทำสงสารรูปสงสารนาม ไม่เคยช่วยเหลือลูกไม่เคยช่วยเหลือนามปล่อยให้ลูกเป็นทุกข์สูบบุรี่กินเหล้าไม่เคยช่วยเหลือปล่อยให้นามเป็นทุกข์โกรธโลภหลงวิตุกังวลเจ้ามองครับครับโกรธเครืองทงั้งที่ทุกข์อยู่ไม่เคยช่วยเหลือเพราะไม่เห็นลูกเห็นนามล้วโอ้ยสงสารลูกสงสารนามสงสารตัวเองเกิดรักตัวเอง อันชื่อวทุกข์แล้วที่เกิดกับลูกเนี่ยไม่ปล่อยปละละเลยเอาใจใจตรงนี้ถ้าวันเห็นไม่ต้องไปถามใครเช็ดความโกรธันเกิดขึ้นกับรามเวลาคันตกกะมันจอนมาเราไม่รับมันก็นได้มีสติเข้าไปอย่างเนี่ยลูกทุกข์ดามทุกข์อเนี้ยลูกโล ก, ลกดามโลกมันก็มี มันก็เห็นไปอย่างนี้เห็นรูปสมมุตินามสมมุติมองทีตาเห็นรูปไปสมมุติเอาว่าดีว่าไม่ดีหูได้ยินเสียงไปสมมุติว่าดีว่าไม่ดีแต่โมกได้กินสมมุติว่าชอบไม่ชอบลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจเิ่นนึกว่าชอบไม่ชอบมันเกิดชอบไม่ชอบสมมุติปัญญาติเอาเองไม่ใช่ปรมตาจต伽 ก็กลายเป็นความโกรธความทุกข์ความลาบากได้ปละมัธัจจะมันไม่เป็นไรในความโกรธไม่มีควาไม่โกรธตัวในความโกรธมันเป็นสมมติบัญญัติตัวไม่โกรธเป็นบัณฑมัธสัจจะเราไม่รู้พอเกิดสมมติเกิดบัญญัติก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นสําคัญมั่นหมายเอาความโกรธเป็นตัวเราเอาของร่อนเป็นตัวเราเอาของ เราความหิวคออวามเจ็บความปวดเป็นตัวเราเป็นอุปทานไปเป็นทุกข์ทุกข์พอไ ป, ปยึดถือที่เราสวดอยู่เนี่ยว่าเรายบอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานมันไม่มีลายเป็นต่าการมันบรรลุธรรมได้เห็นอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้เห็นคองจริงอย่างนี้มีอยู่จริงไม่ใช่เห็นนอกตัวไม่ใช่หอมจีวรไปตกบัว ไม่ใช่ไหลมันสูงอันเสมอไปอัน น, นมันเป็นเรื่องหนึ่งอ่าไม่ใช่ฤทธิ์อย่างนั้นบางกองก็จะแสวงหาฤทธิ์ที่ปฏิหารอย่างนั้นฤทธิ์ที่จริงๆคือทําให้สําเร็จเนี่ยมันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เป็นฤทธิ์น้อยๆไปนะวันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นคนะวามไม่ทุกข์เนี่ยมีฤทธิ์ฤทธิ์ไปเพ่าให้ทําให้สําเร็จเปลี่ยนค ว, วามร้ายเป็นความดีเนี่ย นี่รว่าฤทธิ์คือสำเร็จอย่างนี้ไม่ใช่ฤทธิ์คืออยู่ยงโคงกพันยังไม่แหงเท่งไม่เข้าเอาเอคนก็ต้องการอย่างนั้นรังหาคออย่างนั้นจนหลงหลอยสมัยก่อนนมีพระเครื่องก็ไม่ได้ใช่แบบนี้ สมัยศาสนาพุทธมาอยู่วงไทยใหม่ๆสุโขทยเห็นว่าเป็นคำสอนที่ดีพระเจ้าแผ่นดินก า, น า, นานรเผยแร่ศาสนาในสมัยนั้นไม่มีสมุดไม่มีกระดาษเขียนเป็นหนังสือเหมือนพวกเราพ่อวางแผนแจกเอาดินเอาโลหะว่าหล่อพระเอาน้อย แจกให้เครพระประชาชนพระนี้ เ, เขียนไว้ที่คอพระนี้ทำชั่วไหมเป็นมี่จะทำดีเวลาใดใจมันชั่วชี้เห็นพระอยู่ในใจอันความชั่วความทุกข์ไม่ใช่พระเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีวางใจอันนี้พระสมัยก่อนแจกให้เขาพูดอย่างนี้ เจอหนี้ก็แจกพระให้กันอยู่ยงคงกรพันือเข้าใจปิดไปก็กระตุกพลังพลังหกเศแสนชั บ, บ้างอันดพานซื่อหามาคมเป็นเครื่องอุตรมนอนตายกับเครื่องหลังกองธรรมะต่างหากเปลี่ยนความทั่วเป็นความดีเปลี่ยนความโกรธเป็นความโมตตเป็นหลวงพระจริงนี่ว่าพระ ว่าประเสริฐอย่างนี้ถ้าไล่ธรรมไล่ธรรมะผีสิงความโกรธเข้าสิงลืมไม่เห็นเห็นเมียก็เป็นป๋าเห็นสามีของตนก็เป็นหมามันมืดมันไม่เห็นมันสิงเข้าไปก็ฆ่ากันตายได้เพราะความโกรธไม่มากมายความโกรธเปออ็อารมณ์มาย่อมใจอารมณ์เนี่ยมันไล่ก่อเสือ เสือมันไอยไม่เคยเห็นเสือกัดคนเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสัตว์ไล่แต่มไม่เคยยินข่าวว่ามันกัดคนเท่าไหร่ที่นี่ก็มีเสือสมัยก่อ น, นอ ล, ลองจากเนี่ยจากแถวนี่แหละตามทางลากทรงอันที่เราเดินอยู่นี่เป็นทางลากทรงนะไม่ใช่เราตัดนะทางลงรื่นเออถ้าลากทรงไปเนี่ยมันมีทางเส้นเดียวอยู่เนี่ยออกไป ไปโน่นไปบ้านแม่สุดไปโน่นที่บ้านแม่สุดที่สาราหน้าเป็นลานว่างวางท่อนสุงต้นเมื่องี้ต้นคนนี้วางตะกะเยียงนั่นอลไมันก็ล่องไปมาเอาไปสี่หน่อยสิบหกนะไอ้ขี้น้อยเราไม่มีกติมีฝาเลยนะเอาไม้เตือนลำ ม, มาปูองยา่าแฝกเอาต้น มักเรี้วมักแนงนะ่ปูนอนต้นไมเ อ, อันต้นเรีวต้นแนงในปูเห็บมันเยอะอขึ้นไปกัดเพราะ น, นี่มีกลิ่นเอาไปปูแล้วก็นอนเสือร่องเอนี่ยจิบหกอ่ะคืนนั้นหนาวศูนย์ลบสี่ต้นกล้วยตายต้นอนอไม่ไปใหญ่ตายหมดเลยนะเสือมันล้องตลอดคืนเลย เราก็นอนอยู่แถวๆกติเกดผู้หญิงเน่ยกติไม่เคียดเนี่ยไม่มีฝาเลีนไม้เลียนลำปูอดีนน้อยก็นอนอยู่สลาไก่เตี้ยเตี้ยเ้ยไหมไม่มีประกันกันนะเล่ น, น, นล่องให้อะไรั น, นั้นไม่กลัวเสื อ, อก็ไม่ล้ายอะไรนะเล่นล่องตลอดเกิน แล้วก็นอนอยู่ฟังเสียงเสือเน้นน้อยมันร้องให้กลัวตื่นขึ้นมามันก็ทางลากทรงอ่ะมันเป็นดินพุคุกก็คือดินขี้ฝุ่นแลางมันดูรอยเสือโอุย้ยเท่าเดียวเดินไปแหล ก, กไปเลยทางลากทรงเสือมันหลามันก็ไม่เคยกาดกลันเจอกันเหมือนกันต้องตาอเรื่าจาก สลายก่จะขึ้นไปอ๋อไตเก่ามันก็ออกไปจากทางนี้ล่ะเมื่อทางแคบๆเดินไปพอไปเจอมันหน้าตาก็มองมันมันก็มองเราหน้ตามองมันแบบไม่กลัวมองมันแบบคิดยิ้มก็คิดอยู่ในใจว่าเสือไม่กัดเราช้างไม่ทําลายเรางูก็ไม่กัดเรามันคิดแบบนี้ใช่ไหมก่อน มันก็มองเราเราก็งองมันไม่แต่คิดว่ามันจะไม่กัดเราปเดีมก็เอ็นหลังลงเอ็นหลังลงตีหางตอกแกตอกแทกตอกแท ก, กแล้วก็มันยืนหลังกุ่ม่มพร้อมมองกันเอยนหลังลงแล้ว <c> ก <oughs> ็อาหารตีต๊กแทกตอกแกรี perfect, perfect. รมก็รีบเอาหนีไปมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่กัดเรา ถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นเราก็มีกรรมฐานมั่นคงไม่หวั่นไหวเม่งอนแง่งกอนแยงมันก็ไม่กัดอารมณ์ของคนเนี่ยมันทำร้ายตัวเองทำาลายคนอื่นมันร้ายเห็นมันเนี่ยนามะธรรมาอาการของนาไม่ใช่เราจะให้มันสั่งได้นี่ใครบอกไหมหลวงตาวัดป่าสกุโดขอบอกเวลาลดมันโกรธ อย่าไปพูดอดไว้ก่อนอย่าพูดตามความโกรธอย่าพูดตามความทุกข์ให้ทนทั้งหน่อยไม่ขันติความอดทนทำความเฉียมไว้ในขณะที่มันจะผลผันผันแล่นรู้ว่ารับดัางชังจิตไปก่อนเดี๋ยวมันก็หาย อย่าทำตามความทุกข์อย่าทำตามความโกรธมันเป็นอาการเฉยๆดอ๋อไม่ใช่จิตอย่าถึงว่ากูโกรธเป็นอาการของจิตนี้เห็นรูปเห็นนามอ่ะโอ้ยมันดีเหลือเกินนะอยากบอกคนอื่นอยากสอนคนอื่นขอโทษหลวงปู่เทียนในโสนให้เรามารู้จักตัวเองนะ่ะมีคนเดียวนี้พ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอน หลวงพ่อเทียนสอนให้เรามาดูจอกรูปจางหนามดูจอบทุกข์ดูจอบเหตุดูจับความดับแห่งทุกข์ตามพุทธเจ้าอสอนผ่านมาแล้ ว, วครึ่งศตวรรษที่เราพบกล่งขลัเทียนนะ่ะแล้วก็เป็นของจริงน่ะทุกคนเหมือนกันหมดความโกรธไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตต้องร้อนความหนาวความหิว ไปทุกข์ก็มันเป็นอาการของกายของรูปถ้ามันไม่ล้อนมันไม่หนาวมันก็ไม่ใช่รูปเป็นอันตรายมันล้อนเป็นมันหนาวเป็นเนี่ยเป็นสัญญาณภัยของเขาเพื่อให้เราได้ช่วยเขาเราก็ได้ปัญญาได้ฉลาดความหลงท่าเล่าปีนปัญญาความทุกข์ทำเรามีปัญญาถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้หรอกความหลงทำให้เราโง่ไปเลย ความทุกข์ทำให้เราโง่มืดไปเลยเราจะมีปัญญาจากปัญหาที่เกิดกับลูกพรมน้าเนี่ยความโลภรู้ในของสังขารคือลูกพรมน้ำเลยเป็นบัญจาไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นรอบโลกไม่ใช่แบบนั้นนี่มาเห็นโอ้เห็นกัดแสเห็นกระแสเห็นกเสแยแห่งบุญแห่งบาปโง้ตัวบนคือใจดีคือรู้นี่เอง ตัวบาปเคยไม่รู้เนี่ยตัวเห็นบุญเห็นบาปแต่ก่อนอยากได้บุญกลัวบาปไม่เคยเล้วจวกับความมาบุญทมแต่บุญไม่รู้จักกลัวบาปกลัวตุนกนรกพอเห็นรูปเห็นนามแลโอ้ยเล้จักแล้วบุญคือใจดีๆคือตัวรูปตัวเนี่ยถ้าใจดีเป็นไงไม่เพี้ยนถ้าใจดีกินข้าแซ่บปอ ใจดีจึงเขาแทบวอนอนหลับวอถ้าใจห่างจึงเขาแทบวอนใจห่างเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใจดีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใจดีใจดีก็มีสวรสด์เดี๋ยวนี้แหละใจร้าก็มีลาโลกเดี๋ยวนี้แหละจิตนี่แหละจิตเศ้าหมองทุกขติเป็นหวังน่าจิตเตสังกะริเถ ทุกขติปฏิกงขาเมื่อจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังล่้ทีเดียวตกตัวลกเลยจิตเตสังกะริเถสุขติปฏิกงขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่หวังมันทําได้ไหมเนี่ยเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้ไหมเอเปลี่ยนได้ทำไมจึงเปลี่ยนได้เพราะเราเห็นอาการของโกรธเป็นอาการไม่ใช่จิต ง่ายงจึงเมื่อสอนให้เห็นเห็นมันโกรธอยากเป็นผู้โกรธเอาไหมเห็นมันทุกข์อยากเป็นผู้ทุกข์เนี่ยแยกไปตรงเนี่ยเห็นกายสภาวะกายอะไรที่มันเกิดกับกายไม่เอาอาการมาเป็นตัวเป็นตนร้อนคือกูหนาวคือกูหิวคือกูไม่ใช่เป็นสัจกายไม่ใช่สัจปุกลตัวตนเราอย่าไปยึดเอาตัวนั่นเป็นตัวเป็นตน เห็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่าไปยึดเอา